เออเจออย่างนี้เมื่อคืออย่าว่าคือว่าจื้อจอยของเรานั่นเราทําคือว่างแล้วพอจอยว่างแล้วคือมันไม่คิดอะไรแล้วพอไม่คิดอะไรคือร่างกายก็ไปเหมือนกับจอยจอยก็ไปพร้อมกันไปเลยคือร่างกายไปนี่ป่าไปนี่ปานแล้วจอยก็ไปนี่ปานร่างกายก็ไปนี่ปานมันเราหมดทุกอย่างแล้ว คือว่าคือว่าอ่าชีวร่างกายนี่คือมันไม่เอา้ยแล้วอ่ามันมันมันมันไม่เกิดแล้วมันไม่เกิดแล้วจิตก็ไม่เกิดร่างกายก็ไม่เกิดนี่คือมันนี่ปานก่อนตาย นิพพานตอนตอนตายเราทำนิพพานแล้วเห็นนิพพานแล้วไม่คิดอะไรไม่อ้ออะไรแล้วที่มันนิพพานตอนตายพอเราตายไปมันนิพพานแล้วรู้แล้วร่างกายต้องนิพพานอยู่แล้วบอตายมันหมดไปเลยร่างกายพอนิพพานไปเลยถ้าจิตอร่างกายนิพพานอยู่แล้วว่าใจของเราถ้ายังติดอยู่ยังเกิดก็ไม่นิพพานคือร่างกายนิพพานแล้วจิตก็มันไม่นิพพานเพราะที่เรายังคิดอยู่ เราถามยางเลยจิตอยากคิดจิตก็ต้องมาคิดแล้วคือจิตไม่ อ, อร่อยแล้วคือว่าความนิพานนี่มันอยู่มันอยู่เนื้อเหนือธรรมชาติเนื้อทุกกินทุกอย่างแล้วนี่เลยคือมันอยู่อย่างมไม่มีอะไรเลยเะอนม่นมีอะไรเลยนเลยมันว่างไปหมดเลยเออนี่คือมันบายไปว่างบอกไมปถือว่าตัวนิพานนี่เราไม่เห็นเลย เพาะมันนิพานไม่เห็นเลยร่างกายก็ไม่เห็นตััวตัวนิพานก็ไม่เห็นเอ็นี่ไม่เห็นคือว่ามันบม่ใคยถูกเลยว่ามันไม่คิดตีมันไม่จเอาอะไรเลยนี่นี่อย่างนี้บอกไม่ถูกเอมันอยู่อย่างเลยตีนิพานมันอยู่อย่างเลยร่างกายเป็นอย่างเลยตีโอคือร่างคือจิตนี่คือจิตนี่คือเป็นอ่าจิตจิตทิพร่างกายทิพย์ใจทิพ ต่อไปเราจะออกจากโลกนี้ไม่มีร่างกายคือร่างกายติ๊บหรือใจติ๊บคือใจที่หู้ใจนิพานร่างกายที่ผร่างกายนิพานเราเนี่ไม่มาเกิดแล้วเพราะไม่มีร่างกายพอไม่โอนแล้วมันการโผล่ไปร่างกายติ๊บแล้วใจก็ติ๊บร่างกายก็ติ๊บนี่คือไปนิพานไปหมดเลยดุกนี่ต้องใบแน่นอนอาจารย์ต้องใบแน่นอนเพราะร่างกายติ๊บใจติ๊บต่อไปเราไม่ต้องกินอาหารเลย นึกถึงอิ่มไปเลยไม่ต้องขี่หารเมื่อลํานแบบมันไม่ลําบากมันอยู่ในโลกนี้อยู่ในในโลกนี้พอเราอยู่ร่างกายร่างกายนี้กายนี้บร่างกายยาบไม่ใช่ร่างร่างกายน่อยร่างกายนอกร่างกายยาบคือมีร่างกายหน่อยอยู่ือร่างกายนิ้ฟานร่างกายติฟนี้จบไปออกจากโลกนี้เราจะอยู่ร่างกายติฟคือนิ้ฟานนี้ก็มันยังอยู่มันยังอยู่ร่างกายก็ยังอยู่คือร่างกายติฟ นี่ต่อไปอาจจะหลวงพ่อเห็นแล้วว่าเออต่อต่อไปเราต้องสบายแลยงมันมาเ ค, เคืนแล้วคือเอาจิตติดร่างกายติดนี่และโรดไม่ต้องมาเืนแบบอายูเหมือนกับองค์ปฐมมาพุทธเจ้าและเนี่อยู่อย่างนี้เละอาจารย์อย่างนี้เห็นแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนคือหลวงพ่อนี่เดียวนี่คือสบายมากที่เดียวว่าสบายมากเพราะว่าร่างกายนี่เออพร้อมแล้วกับจิตปล่อยพวกมันเลยกับจิตร่างกายเอร่างกายนี้ มันบายอาจารย์บายไม่เจ็บไม่เกิดไม่เป็นอย่างไรเลยเหมือนกับกิตพ็ยิตบายร่างกายบายไปด้วยเพราะมันมีโรคเพราะจิตจิตไม่มีโรคแล้วเพราะนี่ฟานแล้วร่างกายก็นี่ฟานไปด้วยนี่เล็กนี่ฟังเลยความเจ็บมันไม่เกิดแล้วความเพ็ดไม่เกิดความเจ็บมันไม่เกิดเพราะเรานี่านงจนยังอ่า นี่ปานตอนนี้กว่านี่แล้วปานตนกว่าเรตอนตนยังไม่ตายพอตายแล้วเลยนี่มันจะสบายเพราะนี่ปานตนแล้วลงมาทุกอะไรเลยนี่นอาจารย์ที่พี่เราบายตรงนี้แหละเห็นทุกนี้แล้วตกใบเลยบายอยู่แล้วนาจาเลยบายอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วเออจะเราไปวันไหนมั inform inform sure. right. นไม่ต้อ <tr> งเสียดายร่างกายแล้วร่างกายนี่ยังทุกข์อยู่อาจารยยังทุกข์อยู่หลวงพ่อ คือตอนที่ยังตอนที่จะได้อินนั่นคือพ้นเจ็ บ, บอรย่างเจ็บมากทีเดียวพอเจ็บเรื่องพอเออตายเป็นตายไม่ไปหลงหมอเด็กาดไม่ไปเด็ ก, กาดตายไปตายเลยตายแล้วไปอยู่พระพุทธเจ้าเลยอย่างนี้อาจาร ย, ย์ยองตายนั่งประมาณสัวโมงครึ่งเลยหายไปเลยายไปเลยอาจารย์หายไปเลย นี่หายไปเลยเอมันดับไปเลยดับแล้วมันไม่มันไม่เกิดแล้วความเจ็บไม่เกิดแล้วนี่อย่างนี้โอ้นี่มันมันจริงมันเห็นจริงๆเลยเอมันเจ็บจริงจะมากที่ถูกตนั่งอ่าประมาณยั่วโมงขึ้นหายไปเลยไม่ต้องกินยาเลยอย่างนี้อย่างนี้โอ้นี่มันดับแล้วไม่เกิดแล้วแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวร่างกายนี่มันจะเป็นของเราเป็นของธรรมญาติคือมันก็จะเจ็บได้ทำให้หายได้ทาให้ตายได้ เป็นเรื่องของเขาแม่เรื่องของของเรายาเย็เราถ้าเราทำดีแล้วร่างกายก็ไม่เจ็บอาจารย์ไม่เจ็บหลวงพ่ออยู่อายุคือเจ็บสปีแล้วไม่ไปหลงหมอเลยไม่กินยาเลยนี่คือเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงธรรมชาตินี่ดังนี้เลยคือร่างกายของธรรมชาติจัง้นแน่นอนบ อ, อเรียนธรรมชาติเรียนร่างกายและเรียนเรียนจิต หลวงหลวงพ่อไม่เอาอาจารย์อหนังสือไม่เอาเอาจิตกับร่างกายอย่างนี้หลยคือเรียนไปรู้ไปเรียนไปรู้ไยคือมันมีความสุขเกินมัธบายเกินอาจารย์คือโรคมันมีเลยหลวงพ่อพยายามที่จะว่าเอาเถอะคือแล่ร่างกายว่าร่างกายนี้มีโรคไหมคือสิ่งที่ไม่ดีจัะไม่เท่าเนื้ร่างกายเลย คือสิ่งที่ไม่ดีเข้าในใจเลยถ้าของที่ดีอยู่ที่ในใจแล้วสิ่งที่ของที่ดีดีดีดีใร่างกายแลย้วตรงนั้นและอาจารย์เราไม่มีโรคที่มีโรคเพราะว่าเราไม่รู้อ่าไม่รู้เ อ, อาตรงนั้นหละของไม่ดีเขาเอาของของดีเขาเอาเอาปนกันมาเอาปนไปเอา พออมปลงานนี้มันทำํำมาเป็นโรคขึ้นมาคือธรรมชาติลงโทษเคยลงโทษธรรมชาติลงโทษถ้าเรารักษาไม่ดีธรรมชาติลงโทษเรานี่เราอยู่ธรรมชาติเรารักธรรมชาติเอ๊นี่รัระพุดรักประธรรมรักประสงค์เรารักจริงเขาไมา่ทาเราเราอยู่กับบุญบุญรักษาเรานี่แล้วเราอยู่กับกรรมกรรมเขิดเราขอเบียบมีขอเรา แช่ดน yeah. เลือดเราเนื้อเรานั่นคือกรรมเราพยายามอยู่ถึ่ที่ดีอยู่กับบุญแล้วอยู่กับบใจประพุกนี่เราสบายเ็นเอาสบายเราอยู่บุญแล้วไปไหนก็สบายอยู่กับบุญนี่ นี่เดี๋ยวนี้เราเ ด, นดินไปเดินไปเราเห็นแล้วเราจับไม้ไปแล้วเราไม่เอาแล้วขอร้องเลยเราไม่เอาแล้ววร่างกายเอาแล้วนี่ร่างกายยาบไม่เอาแล้วนี่อย่างนี้จบไปเราทราบใบแน่นอนนี่เพราะว่าอาจารย์ที่โรคเหมือนอาการอาจารย์เขาทรายแล้วสบายแล้วเพราะไม่เอาแล้ว นี่เราโอาร่างกายติดใจติดเราจะไม่มาเกิดในรูปนี้แล้วโตวไปแล้อาจารย์โตสบายแล้วนี้แล้วคือเราพยายามที่จะติดตามสิ่งดีๆให้องค์สมมาพุทธเจ้าที่ท่านได้ชี้แน่แน่เรานําทางโราคือให้ไปกับ อ, าอา่าพระพุทธเจ้าเราพยกรรมดีประคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านมากมายมหาศาลจริงๆที่ท่านได้สงเก่จะได้ตามให้ลูกมนุษย์ไดเห็น วุิชาของขององค์ขององค์ธรรมาพรณ์เจ้าเราเดินตามรอยของต้านนี้ต่อไปเรา มีทางแล้จบไม่ต the ้องมาเกิดต้องตามองค์สัมมาพุทธเจ้าเพราะองค์นีท่านไม่มาเกิดแล้วเราเป็นลูกของท่านเราต้องไม่มาเกิดเหมือนกับท่านเหมือนกันเราพยายามตามเดินตามรอยขององค์สัมมาพุทธเจ้าเราต้องไม่ต้องไม่มาเกิดแล้วเราเกิดเป็นมนุษย์นี่เหมือนองค์สัมะพฤชเจ้าผู้เจ้ามาเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้เหมือนกับเรานี่และท่านตอนท่านท่านจท่านมาเกิด เหมือนกับเราท่านไม่รู้เหมือนกันว่าพระพุทธอยู่ไหนท่านไม่รู้ท่านต้องตบพยายามค้นคว้าหาความจริงไว้เนีย ก็สามอย่างเลยที่มันเกิดมั่งเจ็บมั่งตายมั่งคึกท่านตกกลัวแบบนี้แกกลัวอยากอย่างอะรรู้ว่ามันตายอยูย่อย่างเลยเจ็บอยู่อย่างเลยแกอยู่อย่างเลยนี่ท่านค้คนพบหาพบแล้วนี่นี่เราไม่เราตามองค์สัมมาพุทธเจ้าเราเท่าเท่ า, าดเดินแล้วเห็นทางเดินแล้วนี่เราไม่เราไม่ต้องไม่ไม่ต้อง กอดจนเหมือนองค์ธรรมอมภิชาเราไม่ต้องอดข้าวอดอาหารองค์ธรรมท่านอดข้าวอดอาหารมากมายเดียวจนหาความจริงไงได้ว่าอย่างเลยขอได้พบว่าจะไม่มาเกิดในโลกนี้ทําอย่างเลยนี่แล้วท่านค้พบแล้วท่านจะไปมีทางแล้วและนี่เราก็เหมือนกันเลยเราเดินตามรอยขององค์สรรมอมภิชาแล้วไม่ต้องกลัว่ไม่หลงทางแน่นอนนี่อย่างนี้นะอย่างนี้โตปอยนปบนหลวงพอ่อนี่คือเจา้า โลแล้วคืนนี้ตาอปัยยังนะจะดำมาที่ลูกพ่อมาบวนอีกเพรา ะ, าอราะโอ้นี่ต้องตอบแทนคุณองค์รัมมาพริเจ้าต้องจะมาบวนนั้นองค์พระเจ้า่าบวด คือท่านจะปลูกสัตว์ขนสัตว์ให้ไม่ไม่เคยเกิดคือเรื่องสัตว์นี้คือองค์ธรรมชาติเรื่องสัตว์เรื่องสําคัญคือสัตว์นั่นคือจากนั้นเกิดมาเราทุกคมเกิดมานั่นคืออะไรคืออาศัยบุญอาศัยกรรมเราบุญก้ามมันมีกรรมและบุญพออยู่ไม่ได้นคู่กันบุญกับกรรมคู่กันคือกรรมคืออะไรกรรมคือสัตว์สัตว์นั้นคือผัวผู้มีคู่ที่สร้างกรรมมากคือมาเกิดทป็นสัตว์ ความคิดร่างคิดตงคงเหมือนกับมนุษย์นี่คืออาเขาเป็นสัดคือํำเลยนี่อ่ะ ก็มาบวชจากตัวขเป็นผู้สัตว์เหมือนองค์สัมมาพุทธเจ้าจากอกผู้ัตการผู้สัตว์สักน้อยจักวิญญาณของสัตว์ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เองแล้ที่กินยลงอยกินยุงไปวิญญาณนั่นก็ลุงโชคถ้ากินแล้วอะโยมทั้งหลายเท่าไม่ให้อาจทราบถูเลสัตว์นั่นคือราจิตใจของโยมไปนรกเหมือนกันคือสัตว์นี่เกิดมาอ่าตอบแทนคุณคือเอาร่างตายตอบแทนคุณให้กับมนุษย์และให้กับ ที่ผูๆที่อยู่ข้าศาสนาอยู่นั่นและถ้าเราไม่ทาบุญเปรียบถวบนิรันดรนั้นต่อไปมนุษย์จะต้องเุิดเป็นสัตเปืือนกันเลยเปืือนกันเลยเพราะว่าสัตว์นั้นเกิดมาในชาตินี้สัตว์ไม่ทาชั่วเลยทำไมทาชั่วเลยสัตว์คือมนุษย์เําชั่ว นี่เราจะเพศสัตว์ตัวไฟจะเพศสัตว์เพศสัตว์มันไม่ไม่ทำชั่วนี้มันรักษาตัวของมันโตโตพอใหญ่แลยมันเอาเลือมาต่อไวแก่มนุษย์แตะต่อไวซะนั่นคือสัตว์คือสัตว์เดียวนี้สัตว์มันอยู่ตัวไฟสัตว์มันอยู่เหนือมนุษย์เกอนไปือชีวิตของเราทุกคนมันกําลังเกอนไปเยอย่างอากาศมันเกอนไปอย่าโน้ยกเราเกิดมันตื่ เราทุกคนที่เกิดมาไม่รู้ตัวว่าไอ้เราเก mm. ิดมาใจน้อยไม่เกิดไม่รู้ตัวเรามาเที่ยความจริงเรามา่งที่เราเกิดมาเมืองสวรรค์เลยเฮ้ยเมืองสวรรค์ได้สรวยบุญเมืองสวรรค์มอบุญลงมามองมนุษย์อยากมาสร้างบุญมาเห็นนเมืองมนุษย์มันทราบใบมาลงทรัพย์มาส่งสงบัติในเมืองมนุษย์ลืมตัว บองคนเกิดมารวยเืมองชวนนึกมรวยเองความจริงบุญเขาทางด้านอมอมอมมายอะอยู่พอมาถึงทําลายบุญเกา่าพอทาบุญทำลายบุคุณบบก็หมดไปไม่ตกตกลับมาตกวิญญาณนี้ตกอยู่ไปถึกเป็นสัตว์ตยาวานะเราเป็นเจวดาและกยาวไม่ไม่ไม่คืนชัดคืนชัดได้พรอดวงวิญญาณนี้ไปกับต่ำไปกับบุญถ้าเราหมดบุญแล้วต้องถึกเป็นสัตว์ เราทุกคนถ้าเกิดมาเป็นอ่าในโลกนี้แล้วเราอ่ามีทางอยู่ท้องทางเอ่ทางไปนรกมีทางเสวรรค์มีทางไปนิพพานมีนี่เราไปไหนดีโตาไปนิพพานก็นได้นี่อาจารย์พิโรธอยา่างอย่างไปนิพพานก็นไปได้ถ้าไปนะรกก็ไปได้ไปสวรรค์ก็ไปได้เลือกเอาเองไปที่ชอบ ชอบอะไรไปที่นั่นอาจารย์พิโรธชอบไปนี่ปานเขาไปนี่ปานถ้าพูดเลยชอบไปนรกสร้ารงแต่กรรมสร้างแต่ความชั่วจะไปนรกอย่างนี้เละเราไปที่โชอบามอะไรไม่ได้ไปที่จบอะไรสบายเราเราเกิดเป็นม น, นุษย์ต้องใช้ปัญญาเราไปที่สบายเราทุกคนต้องตามองค์สัมมปาปิฎกอย่างนี้และอาจารย์เออโอษนะผมกลัวนะ